คือประโยชน์เขาเราคือประโยชน์เราปากท้องของไครของเราเราไปถือเป็นถือเป็นเรื่องขัดข้องไม่ได้นะเห <c oughs> <c oughs> มือนสมัยหลองตาท่านอยู่ น, นีนะไม่ว่าใครต่อใครไปเจลแจล เ, เต็มไปหมดเนะี่ยบางคนเห็นเป็นเรื่องขัดข้องอุคนมากมายวุ่นวายต้นโพใบดกหนามากสุก เต็มต้นน่กาทุกประเภทมันไปก่อกินเสียงเตี้ยวเจหากมันได้อิ่มปากอิ่มท้องของมัน ควารู้สึกอยู่กับตัวตอนนี้เริ่มเลยนะเริ่มพูดเลยนะไม่ต้องไปกลัวมันอะยุ่งไม่ต้องไปกลัวมันให้เราทําความรู้สึกอยู่กับตัวพเราทั้งหลายเคยผ่านการได้ยินได้ฟังได้ฝึกกันมากันต่อมาแล้วแหละที่ไม่เคยได้ยินเลยไม่มีหรอกแล้วว่าไม่มีหรอกทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับวัดกับว่ากับครูบาอาจารย์ด้วยกันทุกท่านทุกคน แต่เราจะสนใจมากสนใจน้อยเฉะนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรามาครั้งนี้เจ็ดวันแปดวันเราพยายามตั้ง อ, อกตั้งใจเก็บเอาแต่คุณงามความดีเข้าสู่หัวใจความไม่ดีผ่านเข้ามาปับ๊บปล่อยทิ้งผ่านเข้ามาปับ๊บรู้ทันปับ๊บปล่อยทิ้งผ่านเข้ามาปับ๊บรู้ปับ๊บปล่อยทิ้ง พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ที่พวกเราเป็นเหตุพวกเราได้มาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่รงตรัสเอาไว้หลังจากพระองค์ร่วงลับไปแล้วพิสุทั้งหลายสังเวชชนียสถานสีตนส่ตำบลสี่ตำบลก็คือสี่แห่งสีที่นั่นแหละสถานที่ประสูตรนู่นที่ปา่าลุมพิณีวันเดี๋ยวนี้เป็นประเทศเนปานที่ตรัสรู้คือตรงนี้ ไม่ได้ประสูตใิในบ้านในเมืองประสูติในป่าป่าลุ่นีวันแล้วพระองค์สเสด็จออกมรรันปีชาอุปสมบทสเสด็จออกบวชอายุยี่สิบเก้าตอนอายุยี่สิบเก้มาสดงพระมหเพินเพียรอยู่แถวนี้แหละตรงนี้เลยเป็นสถานที่จักรู้สถานที่จักรู้คือรู้ทรรู้ทั่วถึงน้องทำ นี่ตำบลที่สองหรือแห่งที่สองอที่แสดงธรรมะที่แสดงธรรมนูน่นที่เมืองสาวัตถีเนี่ยเมืองพารานาสีสาวัตถีแคนสาวัตถีเมืองพาราณ ส, าสาาาณีเน่ยที่ซึ่งซึ่งเราจะต้องเดินทางไปอีกไกลที่ที่ท่านทรงแสดงธรรมแล้วที่ปริพานที่ปริพานที่เมืองกุสินาราน ซึ่งพเราจะต้องไปทั้งสี่ตำบลเนี่ยไปกราบไปกราบทาไมไปกราบเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชไอ้การสลดสังเวชคือคือปีติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราถ้าท่านทั้งหลายม่เคยได้ยินได้ฟังคำว่ า, าสังเวชสังเวชโดยทําในที่นี้มันหมายถึงความปีติอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรา พอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่จิตใจของเรามันอ่อนนิม่มสงบเยือกเย็นมีความสุขข้างในพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงสังเวชชนียสถานสี่ตำบลเน่เมื่อพวกเราเมื่อเราล่วงละไปแล้วเป็นสถานที่ที่สําหรับพวกเธอทั้งหลายไปกราบไปไหว้ไปสํานึกไประลึกถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ซึ่ ง, ซ, งซึ่งเป็นรัตนัตที่เรา ตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามอยู่เป็นสังเวชเป็นแดนทําให้เราเกิดสลดสังเวชสลดสังเวชนี้เราก็จะตีความหมายออมาว่าพวกเราทั้งหลายจะสลดสังเวชในภกชาติของเราเองสลดสังเวชเวลาเราเจอเราประสบความทุกข์หนึ่งหัวใจของเราเรามาดูเถอะทำไมเราต้องทุกข์ต้องทนต้องลําบากต้องทรอมานต้องน้อยเนื้อต้องตามใจต้องทุรนทุรายต้องอะไรต่ออะไรสารพัด ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเรานี่คือความทุกข์เราดูให้เกิดความสลดสังเวชในภพชาติของเราพรุทธเจ้าท่านสลดสังเวชมาทุกภพทุกชาติน่ะในภพชาติของพระองค์โดยชนะพระองค์จึงตั้งปณิธานแสวงหาคุณธรรมบำเพ็ญบารมีกว่าจะเต็มโอ้เสียสงขายแสนมหากรรธนานี่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาโดยโดยส่วนตัวของพระองค์เองกว่าจะได้บรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือนหกนั่นแะ มรูดทางกับมรูตรงนี้นี่สถานที่ตรัสรู้ตรงนี้เป็นพุทธค ย, ยาที่เรียกว่าพุทธคยาพุทธค ย, ยาสถานที่ตรัสรู้ก<ม>็เป็นสถานที่สังเวชชนิยสถานแห่งหนึ่งเราอยู่เฉยๆให้เกิดความสงบสลดสังเวชหนัวใจของเราเกิดไม่ได้แต่บางคนเกิดได้บางคนเกิดไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทําเหตุสลดสังเวชหนัวยใจของเราจะเกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงบุญถึงคุณของพระบุตรเจ้าผู้ที่เสียสละเสียสละทุกยากลำบากสร้างบา ร, รมีมาถึงขณะนี้ขณะนี้ขณะ น, นี้สมมุติอยากเป็นทานนี่ก็ทานบา ร, รมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้จนหมดทานอุปบา ร, รมีไม่มีของนอกกายที่จะให้แล้วตัดอวัยวะให้เป็นทานให้อวัยวะเป็นทานแล้วยังไม่พอทานประมัาบา ร, รมีให้ชีวิตเป็นทาน นี่เราดูวิธีการเพียของพระพุทธเจ้าท่านทําถูกไหมท่านทำถูกเพราะวิธีการที่พระองค์ทรงทำนั้นอ่ะมันเป็นวิธีการที่ทําเพื่อให้เราผ่อนคลายจากความอยากหรือความโลภความโลภอยากได้โลภ อ, อยากได้ในทรัพย์โลภอยากได้โลภติดในอวัยวะของตัวเองเรามาดูเถอะเราติดสวยเหลือเกินงามเหลือเกินของเหลือเกินพ้วนเหลือเกินทีเหลือเกินนะมันติด S <S ทำให้เกิดความโลภรงทรงเสียสนะเพื่อทำลายความโลภเสียสละอวัยวะทำลายความโลภเสียสละชีวิตทำลายความโลภแม้แต่สิ่งที่ใยากที่สุดคือชีวิตรเราเสียสละได้เพราะฉะนะ้พระองค์จึงเป็นผู้ชนะเด็ดขาดหมด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างการที่ตั้งใจบำเพ็ญบารมีเพื่อชนะความโลภเนี่ยนะโลภะโลภะคือความโลภเป็นกิเลสกองหนึ่งนะี่ย เราองคทรงสร้างบา ร, รมีเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านี้เวลามันมีอะไรขัดข้อในหัวใจเกิดความโกรธพระองค์ก็ทรงแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นการการแผ่เมตตาของทานบา ร, รมีทานอุภบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีเราทรงเจริญเมตตาแบบเมตตาจนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเมตตาคือสงสารสัตว์นึกเห็นสัตว์เนี่ยเมตตาสงสารไม่มีอะไรที่จะบอกได้เลยความเมตตาสงสาร พอจะช่วยเหลือด้วยสิ่งเรื่องของได้หากันหมดเนื้อหมดตัวเขาจะช่วยเหลือด้วยสติด้วยปัญญาก็บอกสอนเนะ่ยพอจะช่วยเหลือได้โดยเรียด้วยแรงเสียสละแรงเอาชีวิตแทนแทนตายตายแทนเหาือนนั้นเถอะด้วยความเมตตาสงสารเราสัตว์ทั้งหลายทั้งปว ง, งที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีมาเน่ยเมตตาบา ร, รมีการแผ่เมตตาบา ร, รมีน่ะมันเป็นการทําลายความกโกรธนะ คนเราเพราะความโกรธมัถึงฆ่ากัน cherry, Inspect, ได้เพราะความโกรธนั่นแหละมันถึงทําลายล้างกันได้เพราะความโกรธเนี่ยแม้แต่พ่อกับพ่อแม่กับลูกมันก็สามารถทําลายล้างกันได้ผัวกับเมียรักกันปันเกลืนก็สามารถทําลายล้างกันได้นี่คือความโกรธนั่นแหละของความโกรธผูุ้ยญาติทรงสร้างบารมีท่านทรงสร้างเพื่อเอาชนะความโกรธเอาเมตตาบารมีมาเจริญ ให้พระไทยของพระงพรองค์นิมไปทุกสัตว์ตั้งแต่สัตว์ตตมนุษย์ด้วยการสัตว์ตัวใหญ่ช้างมา้าจนมาถึงสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยเมตตาสงสารเท่าเสมอกันหมดคือพระเมตตาของพระพุทธเจ้ารองทรงเจริญทำไมเจริญเพื่อทำลายความโกรธความโกรธเป็นกิเลสกองหนึ่งความโลภเป็นกิเลสกองหนึ่งปัญญา ปัญญาบารมีก็สร้างปัญญาปัญญาพื้นๆธรรมดาสุตะได้ยินได้ฟังสอกหาความรู้เข้าสู่หัวใจอ่าได้ยินได้ฟังได้ได้ความรู้แล้วก็มาใค่ายครวนมากินตะสุต ะ, สตะสแสดงว่ามากินตะกินตะก็คือมานึกมาคิดมาใค่มาครวนด้วยสติด้วปัญญาแค่นั้นยังไม่พอ ต้องมาตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามวิชาการใดก็ตามเป็นทางโลกก็ตามเป็นทางธรรมก็ตามพยายามมาศึกษามาคนา้นคว้ามาทดสอบมาทดลองจนเห็นจนเห็นผลปรากฏในหัวใจของตัวเองอันนั้นคือปัญญาภาวนาปัญญาก็คือภาวนาปัญญาทำจนเห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยแจ้มแจ้งชัดเจนพ้นจากความหลงมองาย ีคือวิธีที่องค์ทร ง, ทรงรเจริญมาเนี่ยทรงสร้างบา ร, รมีมาเพราะฉะนั้นเราลึกลึกถึงบุญถึงบุญของพระองค์ว่า <Yeah. S 1> มาถึงตอนนี้พระรูปของพระองค์เนี่ยจากพวกเราไปแล้วเหมือนเหมือนทำให้เราเกิดความเหีียวแห้งทุกกระทม <Yeah. S 1> ตร ม, ต ร, มตรอมใจและนึกนึกถึงพระองค์ผู้มีความอุตสาหะผู้มีความพยายามผู้มีพระเมตตา ที่จะช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งซึ่งเราทั้งหลายที่ยังตกทุกข์อยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเรามาคิดถึงบุคคลที่เคยให้ความอบอุ่นกับเราให้บุญให้คุณกับเราแล้วเราก็มีความใจอ่อนน้อมปลืม้มกิติเย็นดีจนเกินเหตนไอจีของเราเนี่ยเกิดตื้นตันขึ้นมาในคุณความดีของท่านนั่นี่เกิดความสลดเกิดความสังเวตหน่วยใจของเราอยู่เฉยเฉยไม่เกิดดอกอ้า เราไปในสถานที่พุทธเจ้าพ้นนิพพานด้วยแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความ ส, สลดสังเวชขึ้นได้เร็วมากเลยบางทีเรายังไ ม, ม่ยังตั้งหลักยังไม่ได้ดอกยังไม่ได้นึกคิดอะไรเป็นหลักแล้วแหละขึ้นมาแล้วแหละความสลดสังเวชก็ เ, เหมือนกับหัวใจของเรานึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงคนที่เราคิดถึงที่สุดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาความนึกความคิด ความคิดถึงเหล่านั้นมันรุนแรงขนาดไหนพวกเราอาจจะเคยประสบอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่หัวใจพวกเราเหมือนอย่างคนที่เรารักที่สุดเราหวงที่สุดเราสมวนที่สุดเราถนอมที่สุดเป็นอันต้องพลาดพลาดจากเราไปความรู้สึกในใจของเราเกิดเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ความสลดสังเวียนหัวใจของเรามันก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นแหละไม่ใช่แรงของความโกรธไม่ใช่แรงของความโลภแต่เป็นแรงของความคิด ความคิดถึงความเมตตาถึงความอ่อนน้อมถึงความปลื้มปีติยินดีถึงเหมือนอย่างเราได้ยินว่าคนนั้นคนนั้นเขาก็ะอบคุณงามความดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหัวใจของเราเนี่อ่อนนิ่มไปกับคุณงามความดีที่เขาประกอบ <All right. S 1> มันเกิดความอ่อนนิ่มในหัวใจของเรานั้นนะ่ะเป็นเป็นเป็นความ แท้ที่จริงมันเป็นฟีติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใ น, นหัวใจของเราจนสามารถอัดอั้นตันใจของเราน้ำหูน้ำตาไหลร้องไห้บ้าบ้ า, บ า, บ า, บาออกมาเลยทันทีเลยแหละมันขึ้นตันในหัวใจของเราเน่พระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าว่านียคือสังเวชสังเวชมีอยู่จริงนะใครเป็นแล้วก็จะรู้เองแ่ะความสุดความสังเวชมันเป็นความสังเวชโดยธรรมแต่มันไม่ใช่ เกิดความสังเวชเพราะความทุกข์เหมือนอย่างที่เราไปประสบเพราะความทุกข์จนน้ำตาไหลมันไม่ใช่มันคนละอย่างความสดุดความสังเวชใจเนี่ยความสังเวชโดยธรรมแท้ๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์มันเป็นไม่ใช่เป็นไปเพื่อเพื่อโทษใครก็ตามสามารถเจริญจิตใจให้ระลึกถึงเกิดความสุดสังเวชกับพระพุทธเจ้าแวแ บ, บเดียวเท่านั้นแหละโอ้ยไปสูงมาก ไปสูงมากเกิดพีเกิยินดีปลื้มพิติยินดีหัวใจของเราจิตดวงนั้นเนี่ยทีตัวเองไปสูงมากอย่างตํานานที่ท่านพูดถึงพร ะ, ะมัตตคุณทลีเนี่ยปลืมป้มพิธีเลื่อมใสศรัทธากับพระพุทธเจ้าแปบ๊บเดียวท่านเองตายตายในขณะนั้นเนี่ยทางท่านพ่อไม่เคยทําบุญให้ทานพาทำบุญให้ทานเลยแค่เลื่อมใสศรัทธาเกิดปลืมป้มพิธียินดีกับพระพุทธเจ้าแค่นั้นน่ะ ตายตายในขณะนั้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานที่อลังการเต็มไปหมดเนี่ยนี่คือคุณสมบัติที่เกิดขึ้นภายในจิ ต, ตเพรฉะนั้นที่พระเจ้าท่านผู้ให้พวกเรามาสแสวงสี่ตำบลนี้เกิด ค, ความสุดสังเวชมันมีคุณสมบัติในหัวใจของเราอย่างนี้นะบางคนก็ว่าเราไปเท่าไรไม่เห็นเป็นเสัาทีไปเท่าไรไม่เคยเกิดสักทีไปกี่ครั้งที่หอนไม่เคยเป็นสักทีเพราะเราไม่เคยทําเหตุ การที่เราพยายามทาอีกงคิดให้มากคิดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากความดีคุณสมบัติความคุณงามความดีที่พุทธิยถาทรามสร้างมากับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนจะเป็นเหียนให้เรานี่เกิดเมตตาเกิดตื่นตานเกิดอะไรต่ออะไรในหัวใจขนั่หวังเวชในัวจเขานั้นแะความสลสังเวชหัวใจเขานั้ความสลสเวิหวใหัขึ้นมสนเขึน้นบางครัมงก็เกิดยหัวางครั้งก็เกิดง่ใจขายนหะมังเวชใหัวใจขอมงเราเรา เราพูดง่ายๆแม้แต่เสียงเนี่ยก็ทำให้เราเกิดความสุขสันต์สุขใจได้เช่นอย่างมีผู้ที่มีบุญคุณกับเราเป็นอันต้องพากาพรากจากเราไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้ยินเสียงเพลงที่มันโศกโศกยอย่างเมืองไทยเราก็่ไดยิเพลงธรณีกันแสงเนี่ยเพราะเปิดขึ้นมาครับจากคนดีๆเนี่ยจิตใจมันอ่อนมันน้อมไปน้ำหนูน้ำตาไหลขึ้นมาได้เลยนี่ยคือความ ความที่ใจใจมันอ่อนมันนิ่มไปกับสิ่งเหล่านั้ น, เ, นเราจะว่าอะไรนะเราจะว่าอะไร อ, อ่มันหักห้ามกันไม่ได้หรอกความสลดสังเวชเหล่านี้แต่แท้ที่จริงเวลามันเกิดแล้วหัวใจของเรามันอ่อนนิ่มมันเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะพุทธจเจ้าทรงช่อให้พวกเรามาสแสวงสังเวชชนิยม ส, สถานสี่ตำบลซึ่งวันนี้พวกเราก็มาแล้วเนี่ยมาถึงพุทธคยา เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญใต้ต้นโพใต้ร่มโปพมันจะมีร่มโพต้นโพอยู่ตรงนั้นฮะแต่ต้นโพนี้มารุ่มมารู้กี่กี่ช่วงกี่กี่ช่วงกี่กี่กี่ช่วงอายุของต้นโพมาแล้วแหละเรามาคิดดูที่ตั้งสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีมาแล้วเนี่ยเี่ยต้นโพต้นนี้มารุ่นตั้งกี่รุ่นมาแล้วแหละมารุ่นต้นต้นจริงต้นชิงตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยนีต้นไม้โผล่ขึ้นมาเนี่ย ว่าจะมันดูแลได้กว่าจะมารักษาได้ยิ่งสมัยตะกอดกด้วยแล่เนี่ยอ่าสมัยตะก่อดด้วยแล้วไม่มีใครมามาฟื้นมาฟูมาอลไรแล้วแต่จะมีใครดูแลรักษาไม่มีใครดูแลรักษาดอกก็อยู่ตามบุญตามกรรมไปอย่างนั้นแหละว่าผู้มีบุญมีคุณอ่าเห็นบุญเห็นคุณกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างยิยง่งอย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านมาฟื้นฟูอ่าสั ญ, ญลกักษณ์กระบ่งบอกถึงว่าพระองค์เนี่ยเอา เสาหินที่เรียก ว, ว่าเสาหินพระยาโศกเสาหินพระยาโศกท่าเอาไปปักไว้ที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดนะเป็นการบ่งบอกถึงที่ประสูน์ที่ประนิพน์ที่แสดงธรรมจักมันจะมีมันจะมีเสาหินของพระยาโศกไปปกลักลเอาไว้ ยังเป็นเหือร่องรอให้พวกเราทั้งหลายได้สืบได้ส่อเห็นสถานที่ที่เรียกว่าพุทธภูมิคือสถานที่ที่เกิดของพระพุทธเจ้าสถานที่จักสรู้ของพระพุทธเจ้าคือตรงนี้สถานที่บริณิพานที่สารวโนทยาน่สถานที่แสดงธรรมนู้นที่อิสิปายสิปตนมฤุกขายวันเมืองพราณาสีนู่นซึ่งพวกเราจะต้องเดินทางไปในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นแหล่งที่มีแม่น้ำคงคาอยู่ตรงโน้นแหละที่พระเจ้าท่านท่านทรงแสดงสถานที่ทั้งสีต่ตำบลเอาไวา้พวกเราก็มาสอดแสวงเอาได้ยินได้ฟังเราจะเห็นว่าชาวพุทธเราที่มีอยู่ในโลกมีมากมายพ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้อยู่นานๆสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเราจะได้ยินพวกคขมเมคมนตต่ำนะเขาจะมาสวดภาษาของเขาโรรอ้ยไฟร้อเราจะเห็นได้ยินเราจะได้ยินเสียงคนไทย คนไทยเราก็สวดเหมือนอย่างที่พวกเราสวดในี่ยสวดภาษาบาลีเนี่ยแล้วก็พม่าเหมือนอย่างที่เราได้ยินเนี่ยคือเสียงพม่าเยเสียงพม่าสวดเนี่ยพม่าก็าสวดเนี่ยพม่าเขามักจะสวดคนเดียวเขาไม่ได้สวดเยอะๆเหมือนอย่างเราเนี่ยสวดไครสวดเราบางคนลองสวดสวดอย่างเงี้ยนี่เนี่ยทานองเขานี่แหละเนี่ยพม่าเขาจะสวดอย่างเงี้ยเขาจะสวดไปละพวกจีนเขาจะสวดภาษาจีนไปพวกยวนเขาจะสวดภาษายวนไปอะ ภาษาของไครของเราเราจะเห็นพวกเราเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเห็นแล้วจิจใจมันอ่อนนิ่มเข้าหากันหมดอเหมือนกัเป็นลูกพ่อแม่เดียวกัน้ำไม่เรามีความสนิทสนมในหัวใจขอ ง, ของเราซึ่งมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราอย่างนี้นี่อันนี้คือเรื่องคือที่เป็นที่ไปที่มาที่เป็นเห็นให้พวกเราทั้งหลายได้มาถึงดินแดนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้ว นี่หนทางที่จะทําให้เราเข้าถึงธรรมะตามที่พระองค์ทรงสอนอที่พระองค์ได้ตรัสรู้ตรัสรู้ตรงนี้แหละแล้วธรรมะเหล่านี้แหละมาบอกมาสอนพวกเราวันที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้นแนหะละหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ยังไม่ได้ไปไหนนะท ร, รงสเสด็จอยู่ในบริเวณนี้แหละในสถานที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันเช่นอย่างยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเนี่ย นั่งพิจารณาพิธรรมเจวันเนี่ยนั่งพิจารณาปลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพิจารณาทบทวนคุณสมบัติคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มายอยู่ในบริเวณนี้ในที่7แ็แห่งแห่งแรกเจวันเจ็ด49็ดวันเนี่พระองค์ไม่ได้เสวยพระกายาหารน ะ, ะมันครบพอดีกับที่นางสุชาดาถวายถวายข้าวมะทุปายาสินะพระองค์ก็เอามาปั้นปั้นปั้ น, นได้49ก้ก้อนนะพระองค์เสวยจนหมด ถ้าเราจะพูดตามภาษาเราก็คือวันนั้นเป็นเป็นวันที่พระองค์เสวยเต็มอิ่มสเสวยมากที่สุดในวันนั้นนะฮะหลังจากบำเพ็ญเสวยเต็มอิ่มแล้วเพ็ญแล้วได้จัดสรู้ในคืนนั้นเลยหลังจากจัสรู้แล้วก็สเสวยที่เรียกว่าสวยวิมุติสุขสวยวิมุติสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากการหลุดการพ้นจากเครื่องจองจําในวัฏสงสารพ้นจากอํานาจของกิเลสตัณหาในหัวใจของเรา มันจะพ้นไปได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะเป็นได้ยังไงเราจะต้องตั้งหัวตั้งใจทําตามที่พระองค์ทบอกทงสอนครูบาอาจารย์ของเราท่านได้ยินได้ฟังท่านได้บอกได้สอ น, ท, นท่านใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามท่านได้หลุดได้พ้นไปมากมายเหมือนอย่างที่พวกเราอยู่ในเมืองไทยนี่ยโดยเฉพาะเป็นยุคที่มาฟื้นฟูท่าให้มีพระป่าสายกรรมฐานเต็มไปหมดก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวเนี่ยเป็นยุคที่มาเริ่มฟื้นฟู หลังจากหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สาวมาพูดดีเอาคุณสมบัติของธรรมะของคุณที่เจ้าหรือที่หลวงปู่มัน่นท่านฝึกฟังท่านบอกท่านสอนมาต่อนเนื่องมาก็ครูคูบาอาจารย์ต่อต่อนเนื่องมาหลวงตาเงี้ยถ้าให้มีพระสายปฏิบัติอยู่เมืองไทยเราได้พากันทั้งอกตั้งใจถือตามพระพฤติตามปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดตั้งใจปฏิบัติภาวนาตามอย่างเคร่งครัดสมถะตามอย่างเคร่งครัด วิปัสนาตามอย่างเคร่งครัดตราบใดก็ตามยังมีการถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามาพระอรหันต์จะไม่สูญไปจากโลกพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจทำความสงบตั้งใจทําความสงบในหัวใจของเราทํายังไงนาะทาใจให้สงบเนี่ยปกติใจของเรามันไม่สงบมันไม่หยู่นิ่ง มันมีสิ่งพาให้จิตของเรามันไม่หยุดนิ่งมันผลักดันจิตของเรามันขับเคลื่อนจิตของเราให้ว้าวุ่นอยู่นั่นแหละมันไม่ทําให้ใจของเราหยุดนิ่งอเห็นรูปก็นึกเรื่องรูปได้ยินเสียงก็นึกเรื่องเสียงตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าสัญญาที่มันตกผลึกในหัวใจของเรามันพาเรานึกเราคิดตามเรื่องที่ผ่านมาเพราะในใจของเราอะมันมีขันอยู่ขันหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาขันสังเหสัญญาขันเนี่ยมันจําได้ จำรูปที่ล่วงไปแล้วมันจําได้เสียงที่ล่วงไปแล้วมันจําได้กลิ่นที่ล่วงไปแล้วมันจําได้แม้แต่การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมันจําได้เรื่องราวสารพัดสารพันในหัวใจของเราที่มันล่วงไปแล้วมันจําได้มันจําได้มันปรุงปรุงแล้วมันนึกแล้วมันคิดความยาคือกิเลสท่านหามันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาตามกิตของเราที่มันปรุงมันนึกมันคิดนี่แหละทําให้จิตของเราไม่อยู่ไม่หยุดอยู่กับที่ไม่นิ่งอยู่กับที่ บางทีกิเลสมันก็ไม่ยุยุให้เรานึกคิดปรุงกัน ไ, ไปทั้งวีทั้งวันเลยแหละไม่มีโอกาสเป็นอิสระเป็นตัวของตัวดอกนึกไปแง่หนึ่งทําให้เราเกิดความโลภโลภโลภโลภโ ล, โลนึกไปแง่หนึ่งทําให้เกิดความโกรธเพราะมีสิ่งนู้นสิ่งนี้มาขัดมาข้องมาทานนึกโลกมากมายมหาศาลโดยอํานาจความลุ่มหลงโลภโดยอํานาจของความลุ่มหลงโกรธโดยอํานาจของความลุ่มหลงกิเลสตัณหาราคะมันมัดหัวใจของเราอยู่อย่างนี้ไม่เคยสงบไม่เคยนิ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องการจัดถึงอัดถึงามเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเบื้องต้นท่านจึงให้เราหยุดไม่ให้เราดีดดิ้นไปตามนั่นของตัณหาในหัวใจของเราจะให้หยุดนิ่งอยู่เฉยไม่ได้เราต้องมีงานให้เขาทำงานที่ทำก็เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยให้พวกเราดำรีคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเอาสติภูกจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธ ให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวอรมบทเดียวนี่แหละนี่จะเรียกว่าภาวนาภาวนาให้ใจได้รับความสงบนะภาวนาทุกครั้งใจของเราได้รับความสงบครั้งที่สองครั้งที่สามทำทุกวี่ทุกวันทําทุกเดยะทุกเวลามันหักมันสะสมในตัวของมันเองทําให้มีพื้นมีฐานมีพื้นมีบาทมีฐานมีความสงบเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยเราจะเริ่มเห็นความ ปลอดโปรง่งความสะดวกสบายความมีความผาสุขเห็นแววความฉลาดปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่คืออํานาจของความสงบนะไม่ใช่สงบเฉยๆนะมันมีความสุขมันมีความแจ่มชื่นมันมีความเบิกบานความสงบเหล่านี้แหละที่จะเรียก ว, ว่าบุญบุญสิเหล่านี้แหละคือบุญอา ศ, า ศ, าศัยจิตที่สงบนี้แหละ ทำให้ความนึกความคิดของเรานะมันใกล้กับหลักความจริงที่เรียกว่าจัจจกสักจธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราเจริญสมถาให้ใจเป็นความสงบและให้พิจารณาให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงตามหลักของสัจจธรรมตามหลักที่พุทธเจ้าท่านทรงบอกสงสอนเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่เราเรียนรู้แล้วเราต้องทําการที่เราเรียนรู้เฉยๆนั่นเป็นหลักเป็นข้อปฏิบัติ เราเอามาตั้งใจพิจารณาตั้งใจทําจนได้รับความสงบจิตเป็นสมาธิจนทําให้เกิดปัญญารอบรู้คําว่ารอบรู้ในที่นี้คือมันรู้ทันรู้ทันกลรู้ทันอุบายรู้ทันมายาของกิเลสนหารนยู่ในใจของเราโอกาสที่มันแทรกเข้ามาพอเราเห็นหน้ามันจําได้มันก็ยุบย่อไปพอมันโผล่พอมันโผล่มาเราจับได้มันหายไปโผล่มันจับได้หายไป แท้ที่จริงกิเลสปัญหาในหัวใจของเราเขาไม่ใช่อะไรอื่นไกลมันก็เป็นกิริยาที่เลวๆของใจของเรานั่นเองมันไ ม, ม่ไม่มีใครจับมาใส่ให้เราไม่มีใครทําให้เราแต่หาเราเคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาอย่างนั้นจนชินจนมันตกหลกเป็นนิสัยเป็นกิเลสใ น, นหัวใจของเราที่เขาเรียกว่ากิเลสกิเลสใ น, นหัวใจของเราไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราแต่เราสะสมมาด้วยตัวของตัวเราเอง การที่เราพยายามตั้งใจปฏิบัติพิจารณาเพื่อเป็นการขัจาวะชะล้างความเลวๆในใจของเราเนี่แหละออกไม่มีใครมาทําให้เราทําเอาเองนะไอที่มันดื้อด้านเป็นกิเลสความโลภรุนแรงความโกรธรุนแรงราคะกันหารุนแรงมันสะสมมาในตัวของตัวของมันเองคือเราเราเป็นคนสะสมไม่มีใครสะสมให้เราดอกทีนี้เวลาเราต้องการจะมาชำระล้าง เราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการแล้วก็ทั้งอกตั้งใจชะล้างด้วยตัวของตัวเราเองพยายามตั้งอกตั้งใจภาวนาจนใจของเราได้รับความสงบแล้วพิจารณาจนเห็นเห็นหลักธรรมชาติรักธรรมชาติจริงที่เราควรเห็นก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันหากมีอยู่ในกายของเรามันหากมันมีอยู่ในใจของเราเราตั้งใจพิจารณาไปแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน จะทําให้เราเนี่ยหายเพลินจะทําให้เราหายหลงจะทําให้เรารู้รอบรู้ทั่วถึงรู้เท่าทันและจะเป็นเหตุให้เรารู้จักวิธีละรู้จักวิธีปล่อยรู้จักวิธีวางการไม่ปล่อยการยึดถือการไม่รู้จักปล่อยการไม่รู้จักวางยึดอะไรก็ทุกข์กับอันนั้นถืออะไรก็ทุกข์กับอันนั้นแค่เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนกับทุกข์พเพราะว่าเราถือว่าเป็นตัวเป็นตน แต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปอีกกิริยาที่มันบอกเราว่าเป็นตัวเป็นตนมีอยู่ความหลงที่ไปบดบังทําให้เราเกิดความนึกคิดว่าเป็นตัวเป็นตนตมีอยู่แต่ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปเข้าไปไปแยกแยะไปกรจายเราก็จะเห็นข้อเท็จจริงของมันก็จะทําให้เราฉลาขึ้นมากิริยาที่เร็เวๆเคยร้ายการหัวใจของเราก็จะเริ่มอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงก็จะเริ่มฉลาดขึ้น คุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเริ่มเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราเท่าที่ปรารบมาก็นานพอสมควรต่อไปให้พวกเรานั่งตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาใจของเราจะอยู่กับเสียงที่เขาสวดแล้วก็อยู่ได้อหรือเราจะอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธที่พระธรรมทีนี้ก็คอยอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยนี่แหละคือการตั้งใจภาวนา เราลองมาต่อสู้เนี่ยท่ามกลางคลื่นที่รุนแรงคือเสียงเสียงที่มันทิ่มแทงหัวใจของเรากับภาวะแวดล้อมที่คนเพ่นพ่านไปมาเนี่ยและตั้งหัวตั้งใจและสิ่งที่มาควรเราก็คือยุงยุ่งแล้วก็ปล่อยมันหทนเจาะทำเจาะไปวนไล่ก็ไล่อยไปบีมันนะบีมันไม่ได้นะบีมันเน่ะเสียคะแนนทีละคะแนนทีละสองคะแนนสามคะแนนติดลบไปเรื่อยติดลบไปเรื่อยอ้าวแทนที่จะนั่งเอาบุญนั่งเอาบาป เระวังที่สุดนะไปยันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เรากลับระวังรักษาใจของเราให้ดีอย่าเอาใจของเราเอาให้ให้เครื่องที่ต่ําซามันเหยียบย่ําให้ใจของเรามต่ําซาม <l ong> ลองเข้าไปอีก <innovation> ทั้งๆ ท, ที่เรามาแสวงหาคุณงามความดีข้าสูงไวใจไว้วทุกทุกคนทั้งอกตั้ง ใ, ใจอยัดเพลินไปกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นจนเป็นเหตุให้เราเผลอไปกับมันแท้ที่จริงมันเสียหาย ไปกับความเพลินนี่ยเพลินเพลินไปเพลินเลหลอเพลนเนไปเหลอเสียอีกแล้วเพลินนไปเหลอเสียอีกแล้วลุกอำนาจให้กับมันอีกแล้วนี่คือข้าเสียเอาหน้าตั้งโตั้งใจภาวนาไปสักเท่าไหร่ล่ะจากนี้ไปสักเท่าไหร่น่ะอย่างน้อยๆสักครึ่งชั่วโมงนะอ่าต่อไปเงียบสงบนั่งภาวนาใครนั่งภาวนาเรา